ในโลกนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนเพราะจิตไม่เป็นธรรมมันจึงไม่มีความสุขจึงประพฤติไปในทางที่ไม่ถูกไม่ดีผู้มีจิตเป็นธรรมการทาอะไรพูดอะไร มันก็เป็นเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นไม่เสียหายนั่นต้องสังเกตดูสังเกตดูกระู้ได้ทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมต้องสังเกตตัวเองเมื่อสังเกตไปมันก็เห็นความที่ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทแล้วมันก็เห็นความประมาทถ้าคราวใดมันประมาทเพลสติการทำการพูดมันก็ไม่เป็นประโยชน์มันชอบจะเป็นไปในทางที่เป็นโทษถ้าหากวามีจิตใจเป็นธรรมมีสติตสัมปชัญญะอยู่เสมอเสมอแล้ว การทำอะไรพูดอะไรต้องนึกถึงธรรมะทันทีนั่นน่ะนึกถึงความเป็นธรรมมันรู้ได้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วใจที่มันตั้งมั่นอยู่แล้วดังนั้นการทำการพูดจึงไม่ผิดพลาดถ้าหากว่าใจมันไม่เป็นธรรมเช่นมันเอียงไปข้าง โกรธอย่างนี้นะเมื่ออารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็แสดงออกทางกิริยาการและวาจาออกมาอย่างที่เรียกว่าไม่เป็นธรรมนั่นเรียกว่าไม่ดีอ่ะแสดงกิริยาหยาบโลนออกมาทันทีเลยเนะี่ยเมื่อมันโกรธขึ้นในใจแล้วนั่นะ จิตใจไม่ตั้งอยู่ในธรรมต้องเข้าใจแต่บางคนไม่รู้ตัวนะตนมีจิตไม่เป็นธรรมอยู่อย่างนั้นก็ยังสำคัญว่าตนดีอยู่ในนี้นะมันมันสำคัญตรงนี้แหละคนเรานะคนอื่นตักเตือนไม่ยอมพิจารณาตัวเองตามที่ผู้อื่นตักเตือน โดยถือว่าตนนั้นมันถูกายเดียวคนอื่นโน้นผิดอ่ะนี่ผู้เช่นนั้นน่ะมันก็จะไปละความโกรธนั้นไม่ได้เลยเอแสดงว่ามันหวง่ะมันหวงความโกรธมันจึงไม่ยอมให้ผู้อื่นตักเตือนนะผู้อื่นตักเตือนแล้วก็ไม่สมนึกตัวไม่เห็นโทษแห่งความโกรธนั้น นี่ชี้ให้เห็นว่าจิตที่ไม่เป็นธรรมนะมันเป็นอย่างนี้แหละมันมีแต่เรื่องวุ่นวายเดือดร้อนทั้งแกตัวเองและผู้อื่นความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นที่ไหนความวุ่นวายก็เกิดขึ้นที่นั้นแหละโดยที่คนผู้ก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นนะั้นมันไม่รู้จักทำตัวให้ตั้งอยู่ในธรรมอันดีงามนี่แหละ ไม่รู้เลยไม่รู้ตลอดถึงตัวเองจิตใจตัวเองมันเศร้าหมองมันเลวซามอยู่ไงก็ไม่รู้อ่ะนี่เพราะไม่รู้นั่นแหละมันจึงปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นกว่าเก่าไม่ได้เลยดีอยู่แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นชั่วอยู่ไงก็อยู่อย่างนั้นอไม่สามารถจะไปทิ้งความชั่วนั้นได้ นี่สำคัญให้พากันเข้าใจการที่เราปรพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจะก้าวหน้าไปไม่ได้ก็เพราะเหตุผลดังกล่าวมานี่เนะี่ย <c oughs> ดังนั้นให้พากันตั้งสติสมบัติเส้นยะสำรวมกายวาจาใจของชนเสมอไป ทำความรู้ตัวของตัวเองเรื่อยไปถ้าผู้ใดทําความรู้ตัวเรื่อยไปอยู่ยนั้นะการผู้ทำการพูดอะไรมันก็ไม่ค่อยผิดพลาดเลยเพราะมันรู้ว่าควรหรือไม่ควรนี่มันรู้นี่มันรู้ตัวอยู่เสมอนี่พอมันรู้ตัวนั้นแล้ก่อนที่เราจะทําอะไรจะพูดอะไรนี่มันต้องกําหนดพิจารณาเสก่อน ว่าควรหรือไม่ควรถ้ารู้ว่าไม่ควรแล้วมันก็ไม่ทําไม่พูดรู้ว่าควรแล้วมันก็จึงค่อยทําค่อยพูดไปก็อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าผู้กระพฤษทำปฏิบัติธรรมขอให้เข้าใจถ้าไม่สําเนียกอย่างว่านี่แล้วไม่ผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรม ไม่ได้ถือทำเป็นหลักเครื่องดำเนินของชีวิตจะเป็นนักปวดก็ตามไม่ใช่ น, นักปวดก็ตาม อ, อมันก็จเจริญด้วยบุญกุศลคุณงามความดีไม่ได้ถ้าใครไม่รู้จักแต่งใจของตนให้เป็นธรรมอย่างว่านั่นนะนีเออ่เพราะฉะนั้นทุกคนให้พึ่งปรับปรุงจิตใจของตนให้มันเป็นธรรม ให้มีทำเป็นเครื่องอยู่ในใจเยอะแยะธรรมะเครื่องอยู่ในใจนะอันมูลฐานของเครื่องอยู่ในใจอันเป็นหลักสำคัญก็คือขันติความอดทนนี่จิ ต, จตใจนี่ถ้าขาดความอดทนจะแล้วย่อมตั้งมั่นอยู่ไม่ได้มีแต่ละแหละเวลวไหลไป ใครแสดงบทบาทอะไรมาไม่พออกพอใจก็กรูดหรือถ้าพอใจก็แสดงอาการชอบอกชอบใจจนออกหน้าออกตาแต่ไปอย่างนี้นะจิตใจที่ขาดจากความอดทนนะ่ยมันก็สามารถทำความชั่วได้อย่างว่ามานั่นแหละดังนั้นนะในพากันสร้างขันธีธรรม ให้เกิดขึ้นในใจของตนให้มากพิสุ์เท่าที่จะมากได้เพราะคนเราไม่อดทนนั่นเนี่ยมันถึงได้สะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจไม่ทำกิเลสให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้พระพุทธเจ้าตรัสว่า ขันติตะโปตะปาจิโนโขันติคือความอดทนเป็นตปะเครื่องเป็นตปะธรรมเครื่องแผดเผาความชั่วหรือกิเลสให้เหือดแห้งไปลองฟังดูอนุภาพแห่งความอดทนดูสิพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้นะ แล้วเราเราได้ปฏิบัติมาไหมได้บำเพ็ญมาหรือไม่เมื่อบำเพ็ญมากิเลสต่างๆนะั้นมันเบาบางไปเพราะความอดทนนี่นะมีหรือไม่เป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ดูรู้ได้จริงๆนะอ๋อคราวนั้นนะ เขาด่ามาเราก็อดได้เราไม่โกรธเลยนี่นึกทบทวนดูมันก็รู้ได้เป็นงนั้นหรือมีแซงกวาว่เออคราวนั้นเขาด่ามาเขายกโทษเรามานะเราอดไม่ได้เลยเราก็ด่าตอบก็รู้ อ, อ่ามันเป็นอย่งั้น <c oughs> เออคราวนั้นน่ะ เกิดความคิดความเห็นไม่ตรงกันกับผู้นั้นต่างถ้อยทีถ้อยก็ถือมั่นในความเห็นของตนไม่ลงรอยกันได้เลยทกเพียงกันจนมองหน้ากันไม่ได้อย่างนี้นะมีหรือไม่เนี่ยหรือว่าคราวนั้นนะเกิดความคิดความเห็นขัดแย้งกันขึ้นมาแต่เราเป็นผู้ยอมแพ้ไปเลยเราไม่สู้ ให้เขาสำคัญว่าความเห็นของเราถูกไปซะของเราไม่ถูกไม่มีใครยอมรับก็เล้วไปเราก็ไม่โกรธใครอย่างนี้นะมีไหมเนี่ยมันต้องทบทวนดู <c oughs> ธรรมดาผู้รู้ทั้งหลายนะท่านไม่ถือมั่นในความคิดความเห็นในความรู้สึก ได้ปฏิบัติตามพุทธโอวาทข้อที่ว่าทำทั้งหลายไม่ควรถือมัน่นพระศาสดสาทรงสอนไว้อย่างนี้จริงๆนะนั่นเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามนี้เลยว่าทำทั้งหลายไม่ควรถือมัน่นอันนี้มันเป็นคำย่อถ้าอธิบายออกให้ชัดเจนออกไปหมายความว่า อา้าวทที่เป็นอกุศลนั่นควรละจริงๆนะนั้นนะต้องละให้หมดไปทีนี้ทมที่เป็นกุศลนั่ น, น <c oughs> เมื่อเราสร้างให้เกิดให้มีขึ้นในใจแล้วอย่างนี้นะไอ้ธรรมเหล่านั้นมันก็มาขจัดกิเลสออกไปจากดวงกิจนี้แล้วมันก็ดับไป มันเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องธรรมะนี่ก็ดีมันเรื่องสังคต ธ, ธรรมนะธรรมที่มีที่ถูกปรุงแต่งขึ้นนะก็อย่างที่เคยพูดไม่บ่อยนะยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างเช่นเมตตากับความโกรธอย่างนี้นะนั่นเนี่ยเมื่อเราสร้างเมตตาขึ้นในใจให้ ม, มากๆขึ้นมาแล้วไอ้ความโกรธมันก็เบาบางลงนั่นแหละ ความโกรธมันก็บวบางลงทีนี้เมตตานั่ย น, นะเมื่อเราเจริญในองมากเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นความรู้ขึ้นนั่นแหละเป็นความรู้รู้ความรู้อยู่ในใจนี่นะไม่ไปไหนบรรัณฑิตเมตตาธรรมอันนั้นอยู่ในใจนี่เลยเออเป็นญาณความรู้ไปเลยถ้าถ้าเจริญในองม า, มากเข้าไปแล้วนะ นัและหมายเขาว่าทีแรกเราก็นึกวิตกวิจารณ์ถึงบุคคลอื่นและสัตว์อื่นที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันต่างคนต่างก็ต้องการความสุขเปรี่ยนต่อความทุกข์เหมือนกันกันกบเราเราต้องการความสุขชั้นใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขเหมือนกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์ แล้วก็ขอให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่าได้บางเบียดเบียนเราให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยต่างคนต <c oughs> really ่างก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นนั้นเถิดก็เรามันนึกมันคิดอย่างนี้เสมอเสมอไปเมื่อเราเพ่งพี่นาเรานึกคิดอย่างนี้นอันเมตตาธรรมนี่มันก็แก่กล้าขึ้นในจิตใจเลยบบนี้ จิตทั้งดวงเราเลยเป็นเมตตาธรรมไปวันนี้นะนั่นแหละไม่ได้แยกออกกากกันเน้ะเมตตาธรรมก็คือจิตจิตก็คือเมตตาธรรมอย่างนี้นะนั่นแหละเมื่อเมตตาธรรมได้ไปซึมซาบอยู่ในดวงขิตนั้นอย่างแน่นแฟ้นแล้วความโกรธนั้นก็เข้าใกล้จิตนี้ไม่ได้เลยมันก็ระงับไป นี่มันมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสเปรียบเทียบกิเลสเหมือน ก, นกันกับโรคภัยในร่างกายของคนเราธรรมะสำหรับเป็นเครื่องขจัดกิเลสนั้นก็เหมือนกับยาที่หมอผู้ชำนาญวางคนไข้คนไข่รับประทานยานั้นไปแล้ว ถ้ามันเหมาะเจาะกันจริงๆโรคภัยมันก็หายไปแล้วแล้วยานั้นมันก็หมดลิ์ของมันไปเองเลยเมื่อมันกำจัดโรคในกายของผู้นั้นหายไปแล้วยาก็ระ ง, งับไปตามกันก็หายไปตามกันอย่างนี้แหละแล้วบ น, นี้เป็นยังไงอะผลป น, นิผลน่ะผลก็คือความสบายร่างกายบ น, นี้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นั่นแหละมันก็สบายไปแล้ววันนี้โรคภัยมันถอนไปแล้วแต่ยาขนาด น, นั้นหาได้อยู่ในร่างกายของผู้นั้นตลอดัหมหายไปหมดแล้วได้แต่ความสบายร่างกายเท่านั้นอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละก็เมื่อเมตตาธรรมมันทำหน้าที่ขจัดความโกรธให้เบาบางหรือระงับไปจากดวงจิตแล้วเช่นนี้นะ เมตตาธรรมก็ระงับไปตามกันมีแต่จิตเท่านั้นได้ความเบิกบานผ่องใสได้ความสบายเป็นผลแห่งการเจริญเมตตาบ น, นี้นะผลแห่งการละความโกรธออกจากจิตใจก็คือความสบายใจใจสงบใจตั้งมัน่น <c oughs> มันมันเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจไอ้ที่ที่ข้อที่ว่าทําทั้งหลายไม่ควรถือมั่นนั่นนะอ่ามันเป็นงนั้นเมื่อเราไม่ไม่ถือมัน่นไอ้ความชั่วก็ขจัดออกไปแล้วก็ความดีเกิดขึ้นแล้วมันก็ขจัดความชั่วระงับไปแล้วความดีมันก็ดับไปใจเราก็ไม่ได้ยึดเอาทั้งดีทั้งชั่วไว้เลยแบบนี้อ่เอาเอาแต่ จิตที่เป็นนุเบขาอยู่พร้อมด้วยญาณความรู้มเมื่อจิตนี้เป็นนุเบขาอยู่แล้วมันก็มีความรู้อยู่อย่างนั้นประจำอยู่ตลอดไปเลยความรู้ดีรู้ชั่วนันนะเมื่อชั่วมาถึงก็รู้ทันทีเลยว่านี้เรื่องชั่วดีมาถึงก็รู้ว่านี่เรื่องดอีไอเรื่องนี้เป็นมงคลนะ เมื่อมาถึงเข้าก็รู้ว่าเรื่องนี้เป็นมงคลเรื่องนี้เป็นอปปะมงคลมาถึงเข้าก็รู้อย่างนี้แหละเช่นหลังอย่างเรื่องที่เป็นอัปะมงคลเรื่องที่ไม่เป็นมงคลก็อย่างเช่นบุคคลไปคบกับคนพาลอย่างนี้นะพระศาสดาก็ทรงตรัสก็ไม่เป็นมงคลนี่ธรรมดาผู้รู้ทั้งหลาย ท่านรู้ลักษณะอาการของคนพานด้วยทีนี้คนพวกนี้มาคบหาสมาคมกันไปสนทนากันไปพิจารณาดูมันก็รู้ได้ mm hmm. เองงั้นรู้ลักษณะอาการของคนพวกนี้เป็นคนพานแล้วฟัง ค, ความคิดความเห็นกิริยาท่าทางสัง่งมันบอกขึ้นมาเลยเ mm hmm. มื่อรู้อย่างนั้นแล้วผู้รู้ทั้งหลายท่านก็ไม่ สมาคมติดต่อกันไปถ้าหาทางหลีกเลี่ยงต่อไปเนี่ยพูดถึงความรู้อันนี้นะการว่าผู้นี้เป็นบัณฑิตมาพบหาสมาคมได้สนทนาปรา s a i กันไปพอสมควรอย่างนี้ก็รู้เลยว่าท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตแน่รู้ได้ด้วยความคิดความเห็นที่ท่านแสดงออกมานั่มันมันเป็นศีลมันเป็นธรรม ไม่ลำเอียงเข้าไปกับข้างกิเลสตัณหานี่ผู้รู้ทั้งหลายท่านก็รู้ก็รู้อย่างนี้แล้ก็ย่อมยินดีเคาผาสมาคมกับผู้เป็นบัณฑิตนักปราชเช่นนั้นต่อไป <c oughs> แล้วก็เป็นมงคลระเนี้นะ่ะมันเป็นอย่างนั้นนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่า จิตใจที่ฝึกฝนให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันสามารถพึ่งตัวเองได้แบบนี้นะถึงไม่มีใครแนะนำสั่งสอนมันก็สามารถรักษาตัวเองไม่ให้ตกไปในที่ชั่วไปในที่ต่ำได้เพราะว่ามันมีความรู้อยู่ในใจอย่างว่านั่นแหละถ้าใครไม่มีความรู้อยู่ในใจเช่นว่านั้น ก็รักษาตัวให้ดีสม่าเสมอไปไม่ได้เลยในคราวใดจิตใจมันเผลอมันกิเลสมันครอบงำเอาคราวนั้นก็ไม่รู้ผิดรู้ถูกแล้วแสดงกิริยาการกายวาจาออกไปในทางผิดบ้างถูกบ้างไปเลย ว, วันนี้นะนี่มันเป็นอย่างนั้นจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝน ให้เกิดความรู้ความชำนาญในเรื่องดีเรื่องชั่วอย่างที่ว่านั่นให้พากันตื่นตัวกันมันไม่เหลือวิสัยนะเราฝึกใจจิตนี่นะตัวเองฝึกตัวเองนะโดยยึดเอาหลักธรรมเป็นเครื่องดำเนินอย่างที่ว่านั่นเน่เราเรามีขันติทมเป็นพื้นฐานแล้วอย่างนี้มันก็มีสติพร้อมเลนี่ เพราะคนมีความอดทนแล้วมันย่อมะระลึกได้มันย่อมรู้ตัวสัมปัชัญะถ้ามไม่รู้ตัวก่อนอย่างนี้มันมันไม่อดทนแหละมันรู้ว่าเรื่องนี้ควรอดทนอย่างนี้นะเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็อดได้ทนได้ <c oughs> <c oughs> เมื่อมีหมู่นี้คุณทำรรหมู่นี้ก็มีหิริอดตธรรม มีความละอายแก่ใจในอันที่จะทําความชั่วทั้งในที่รับทั้งในที่แจ้งเพราะกลัวความชั่วที่ตนทํานั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ทําและมันก็ระวังความประพฤติของตัวเองเสมอไปไม่ว่าคารืหัดไม่ว่านักบวชเมื่อมีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้ว ไม่กล้าทำความชั่วไม่กล้าพูดสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆเลยนี่เพราะฉะนั้นคุณธรรมสองอย่างนี้จึงควรสร้างให้เกิดมีในใจของตนถ้าขาดคุณธรรมสองประการนี้แล้วคนเรามันก็ทำความชั่วได้อย่างอย่างใจเย็นไม่สะทกสะท้านไม่กลัว ความชั่วมันตัดจะตามสนองให้เป็นทุกข์แต่อย่างไดเลยทำชั่วได้ทุกอย่างไหมเขาวางั้นเลยคนเราเนี่ยถ้าขาดนิริตอดตปฏะธรรมนี้แล้วนะดังนั้นทำสองอย่างนี้อย่าไปลืมเลือนนะผู้ปฏิบัติธรรมอะต้องมันนึกถึงเสมอต้องมันเพ่งพิ จ, จารณาดูว่าจิตของเราเนี่ยมีไหมมีทำสองอย่างนี้อยู่ในใจเสมอหรือไม่ เนี่ยมันต้องพิจารณาตองพิจนาใจตัวเองอย่าไปอยู่เฉยๆอันนี้แหละคำว่าการปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเราก็มานั่งสงบจิตล้วพิจารณาว่าคุณธรรมเหล่านี้มีอยู่ในใจเราหรือยังถ้ามีมันก็รู้รู้ว่ามีถ้ามีรู้ว่ามีแล้วก็พยายามรักษาไว้เรื่อยไป เม <c oughs> <ME> ื่อเรารักษาไว้หมายความว่าเราเพ่งให้คุณธรรมนี่ซึมทราบเข้าสู่จิตใจเม <ME> ื่อเมื่อคุณธรรมเหล่านี้ซึมทราบเข้าสู่จิตใจแล้วมันเมื่อดําเนินงานอะไรไปมันไปเจอเรื่องที่จะต้องไปทําความชั่วเข้ามาอย่างนี้มันจะต้องนึกได้ทันทีเลยนึกละอายใจขึ้นม า, าทันที นึกกลัวแต่ความชั่วเหล่านะั้นมันยึดตามสนองให้เป็นทุกข์นี่แสดงว่าคุณธรรมสองอย่างนั้นมันซึมซาบอยู่ในใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตดวงนี้แล้วเพราะนั้นเมื่อไปเจอเรื่องที่จะต้องให้ทำชั่วพูดชั่วขึ้นมานะมันนึกได้ทันทีเลยนี่ความมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมนะหมายความว่าเราเพ่งคุณธรรมอะไรเ้วต้องให มันซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจจริงๆนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพ่งเฉพาะครั้งเดียวแล้วเลี้วไปเลยเราต้องเพ่งเสมอเราต้องกรววเสมอจิตใจอันนี้นะถ้ายังไม่มีก็พยายามเพ่งให้เกิดให้มีขึ้นเรื่างนี้แหละเมื่อไปเจอเรื่องที่จะต้องทําความชั่วอา้ามันจะระลึกได้เนี่เพราะเราฝึกไปแต่เวลายังปกติอยู่แล้วอนะ สอนจิตให้เกิดความละอายแก่ความชั่วอย่างนี้นะถึงแม้ว่ายังจะไม่เรื่องชั่วยังไม่มาถึงก็ตามแต่เราก็สอนจิตให้มันละอายในอันที่จะทำความชั่วนั่นๆเพราะเรารู้จักอยู่นี่ความชั่วนะดังนั้นเราก็หยิบยกมาสอนใจว่าความอันนี้ก็เป็นความชั่วนะก็เป็นความชั่วต้องระมัดระวังต้องละอายแก่ใจในอันทำความชั่วเหล่านั้น เพราะว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์หรือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะ่ก็ต้องเป็นผู้ชำระตนให้สะอาดมาแล้วมีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจแต่คุณธรรมเหล่านั้นยังเป็นโลกิยธรรมอยู่มันไม่แน่นอนถ้าเผลอตัวแล้วมันอาจพลิกกลับไปในทางอากุศล ร, รมเมื่อไรก็ได้ ดังนั้นเราจึงต้องสร้างฮีริโอตประธรรมนี้ขึ้นไว้ในใจเสมอเสมอไปเมื่อคุณธรรมเหล่านี้แน่นแฟ้นอยู่ในจิตใจแล้วมันก็ไม่วิตกวิจาร์ที่จะไปทำความช่วแล้ววันนีม้มันเป็นอย่างนี้เรื่องคุณธรรมนี่นะเราต้องเพ่งให้เข้าไปสู่จิตใจจริง <c oughs> ถ้าหากว่าเป็นแต่เพียงจำไว้ลอยๆเฉยๆนี่นะมันไม่สามารถที่จะไปมีกําลังต้านทานต่อความชั่วหรือว่าเรื่องชั่วต่างๆที่มันกระทบกระทั่งมาได้เลยมันต้านทานไม่ได้นะแต่ถ้าหากว่าเราเพ่งคุณธรรมเหล่านี้ให้ซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจจริงๆด้วยอำนาจแห่งสมาธินี่นะ ให้เข้าใจเช่นอย่างเราเพ่งหิริโอตปธรรมอย่างนี้เพ่งไปพิจารณาไปจนว่าใจมันรวมลงเป็นหนึ่งเพราะการพิจารณาในหิริโอตปธรรมนั้นอย่างนี้นะวันนี้เมื่อเพ่งพิจารณาไปจนว่าใจมันรวมลงเป็นหนึ่งแล้วก็แสดงว่าคุณธรรมสองอย่างนั้นมันเข้าถึงจิตแล้วมันซึมซาบเข้าไปสู่ดวงจิตแล้ววันนี้นะ จิตมันถึงได้สงบลงทีนี้มันก็มียานุภาพสิแบบ น, นี้นะ เ, เมื่อความชั่วทั้งๆมาถึงเข้าอย่างนี้ทีรีโอตประธรรมนี่นก็โพ่ อ, ออกมาเตือนจิตได้ทันทีเลยเจิตก็มีความละอายแก่ใจทันทีแล้วก็ไม่ยึดไม่ถือเอาความชั่วเอาเอาเรื่องชั่วเหล่านั้นมาไว้ในใจ นี่นะคุณธรรมจึงได้สมกับว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าธรมโมหะเวรคติธรรมจาริงพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเนี่ยทีแรกเราก็ปฏิบัติพระธรรมก่อนหมายความว่าน้อมพระธรรมเข้าสู่ใจ ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเนะี่ยมานเมื่อพระธรรมซึมซาบเข้าสู่จิตใจแล้ววันนี้พระธรรมนั้นรักษาใจให้เป็นปกติอยู่ในกุศลความดีสม่าเสมอไปเวลาเรื่องชั่วมาถึงเข้าพระธรรมเหล่านั้นมันก็เตือนจิตให้รู้อันนี้เรื่องชั่วนะไม่ควรยึดถือไม่ควรวันไว้นี่ทุกข์กายนั่นนี่นะ ควรรู้เท่าไม่ควรห ว, วั่นไหวเพราะว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเราจะบังคับให้มันเป็นทุกข์มให้มันแปลปูนไม่ได้เลยเมื่อสติสมัมปชัญญะมันเตือนจิตได้อย่างนี้จิตมันก็อดทนต่อทุกขเวทนานั้นแล้วก็รู้เท่าว่าทุกข์มันก็ เกิดจากขันห้าขันห้ามีอยู่ตราบใดทุกก็มีอยู่ตราบนั้นเมื่อขันห้าไม่ใช่ของเราแล้วทุกขก็ไม่ใช่ของเราก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะใจมันเห็นตามปัญญาอันนนั้แล้วมันมันก็ไม่วันไหวต่อความทุกข์นั่นแหละวันนี้ถ้าไปวันไหวต่อความทุกข์ก็ชื่อว่าวันไหวต่อขันห้า ก็ชื่อว่ายึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์ก็ชื่อว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนปลอยวางไว้ตามสภาพสภาพของมันมันจะแปลปรวนอย่างไรก็แล้วแต่เหลืองของมันจิตมีหน้าที่กำหนดรู้ตามเป็นจริงไปมีหน้าที่อดกั้นทนทานต่อ ความแปรปรวนกระทบกระทั่งจิตของขันห้านั้นมันไม่ฟังนี่เพราะว่าจิตอาศัยอยู่กับขันห้าเมื่อขันห้ามันแปรปรวนอย่างนี้จะไม่ให้มันกระทบจิตจะได้อย่างไรอ่ะมันก็กระทบอยู่ดีๆนีนะ่เมื่อมันกระทบมาแล้วเราก็พิ จ, จารณาอย่างว่านั้นเนี่ยเมื่อเราเคยพิ จ, จารณา อยู่แต่เวลายังเป็นปกติโรคภัยไข้เจ็บยังไม่เบียดเบียนร่างกายอย่างรุนแรงอย่างนี้เราคิดารณาให้รู้แจ้งในใจไว้แล้วนี่พอถึงเวลาร่างกายนนวิบัติแปรปรวนกระทบกับจิตมาอย่างนี้จิตก็รู้ได้ทันทีเลยเพอได้ฝึกมาแล้วจิตก็อดกั้นทนทาน จิตก็รู้เท่าทุกเหล่านั้นตามเป็นจริงไปไม่หวั่นไหวไม่เสียใจไม่เศร้าโศกแต่ถ้าว่าจิตของใครไม่ได้ฝึกขนดบรมล่วงหน้ามาก่อนอย่างนี้ไม่คาดการล่วงหน้าไว้ก่อนอย่างนี้นะผู้นั้นจะสะ ด, ดุ้งตกใจทันทีเลยเวลาโรคภัยอย่างร้ายแรงมันเกิดขึ้นในร่างกายนะ นึกถึงความตายทันทีแหละโอ้เรานี่จะตายแล้วข่าวนี้นึกเท่าใดยิ่งตกใจเท่านั้นยิ่งสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายทีนี้เพราะว่าไม่เคยได้พิจารณามาแต่ก่อนนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ฝึกขนจิตใจของตนให้มีความรู้ความฉลาดในกระบวนการสี่ขันห้าอันนี้ ตามเป็นจริงอยู่เสมอเสมอแล้วเวลามันวิบัติแปลพรวนไปอย่างนี้มันก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวไม่ตื่นเต้นไม่วันไหวเพราะว่าได้พิจารณามาแล้วนี่ว่าความจริงของขันห้านี่มันมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องตน้นแล้วก็แปลปรวนในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุด นี่แต่พิจารณาเห็นอยู่เนี่ยทุกวันทุกคืนอยู่อย่างนี้นะเมื่อเวลาร่างกายอันนี้มันวิบัติลงเมื่อใดมันก็ไม่ตื่นเต็นอย่างว่านั้นนะมันก็กําหนดรู้ได้เมื่อกําหนดรู้แจ้งได้อย่างนั้นใจมันก็เข้มแข็งอดได้ทนได้อดกั้นทนทานต่ทอทุกเวทนาเพราะว่าเวทนาโคสกัดแต่เวทนา เวทนาไม่ได้มีในเราเราก็ไม่ได้มีในเวทนาเวทนาก็ไม่ได้เป็นเราเราก็ไม่ได้เป็นเวทนานั่นตัวเองก็ต้องนึกต้องคิดอย่างนี้เรื่องมันนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆได้จใจมันรู้เท่าขึ้นมาเองไม่ได้กลัวมันจะรู้เท่ามันต้องสอนตัวเองก่อน สอจิตนี่จิตสอนจิ ต, น, จ ต, น, จตนี่แหละให้มันรู้ความจริงของสังขารของสิ่งนั้นนั้นตามเป็นจริงโดยแจ่มแจ้งนะวันนี้มันจึงรู้เท่าได้มันจึงไม่วันไหวถ้าไม่วิตกวิจารณไม่แยบคายอย่างที่ว่านั่นแล้วมันมันมันจะไม่รู้แจ่มแจ้งได้ เมื่อมันรู้แจ่มแจ้งไม่ได้มันก็ไม่ยอมปลงไม่ยอมวางจิตนี่นะมันก็ยึดมั่นขันห้าอยู่ตงนั้นเนี่ยให้พากันเข้าใจนั่งสอนตัวเองสิจะไปนั่งง่วงเหงาหานอนอยู่ทำไมอ่ะนั่งภาวนานาะนั่งสอนตัวเองอุบายอันใดที่ มันจะเป็นเครื่องเตือนจิตให้รู้เท่าสังขาร น, นามรูปอันนี้นะตามเป็นจริงเราก็หาอุบายนั่ น, นมาสอนจิตตัวเองเข้าไปนะ <c oughs> หรือว่าจิตมันชอบประวัติไปห่วงโน้นห่วงนี้ห่วงวัตถุอะไรห่วงสิ่งใดเอาหาอุบายมาสอนจิต ให้มันเห็นโทษแห่งความห่วงความอะไรนั้นนั้นถ้าว่าจิตใจมันวิตกวิจาร์ไปแสดงอาการห่วงใหญ่อะไรแล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยๆเพื่อไปอย่างนั้นมันก็ไม่มันก็ละไม่ได้เลยละห่วงอะนไม่ได้มันก็ยึดมั่นไว้แล้ววันนี้นะนั่นเพราะนั้นอย่าพากันนิ้งนอนใจเราต้องตาม สังเกตความคิดความเห็นความรู้สึกในจิตใจตัวเองเนี่ยอยู่เสมอเสมอไปอในเมื่อใจเราคิดถันเหนอออกนอกทางไปเวลาไหนมันก็รู้ได้แบบนี้เราสังเกตอยู่เสมอเนี่ยเออนี่มันคิดออกนอกทางแล้วไม่ใช่แล้วอย่างนี้มันก็รู้ตัวได้พ อ, อ, อมันรู้ได้ยางไงมันก็ทวนกระแส จ, จิตกลับ ปล่อยวางความคิดความเห็นอันนั้นทิ้งไปเลยเมื่อทวนกระแสจิตกลับจิตหยุดนิ่งโยงในปัจจุบันแล้วอารมณ์เนี่ยมันก็ดับไปวันนี้เราก็วิจารณ์ในทางที่ถูกต้องต่อไปไหมวิจารณ์ในสิ่งที่เรายังไม่รู้แจ้งไม่รู้เท่านันเนี่ยเรากำหนดออกมาพิจารณา หมายความว่าอย่างงั้นเอ้เรื่องนี้นะ่ะเรายังไม่รู้แจ่มแจ้งจิตใจยังหวนไหวอยู่อย่างนี้นะเอาเราจะพิจารณาเรื่องนี้เอาเอาจนว่าใจมันไม่หวนไห ว, วนะนั่นแหละเอาจนใจมันปล่อยมันวางเรื่องนั้นได้เป็นอุบเบกขาลงไปเลยนะจึงจะยุดพิจารณาเรื่องนี้ออย่างนี้นะมันต้องอย่างนี้นะอาการปฏิบัติธรรมนั้นนะ่ะ ให้พากันเข้าใจไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เรื่องนะไม่สามารถจะทำกิเลสให้เหดแห้งเบาบางไปได้ถ้าไม่มีอุบายแยบคายอยู่ในใจอย่างว่านันนะแม้ว่าผู้เริ่มต้นก็อไก่ขอไข่ก็ตามนะมันต้องรู้จักหาอุบายมาสอนจิตใจตัวเองให้ได้ เช่นอย่างว่าบางคนนะ่ะมีศรัทธาอยากปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่แต่มันก็ยังขัดข้องกับเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพยอยู่นี่ถ้าผูใ้ใดมีศรัทธาอย่างว่านันเนี่ยเอาชีวิตของตนยังไปเกลือกกล้วอยู่ด้วยบาปด้วยเรื่องอะไรก็พยายามหยิบจกเรื่องนั้นมาพิจารณา ให้มันเห็นโทษแห่งความชั่วเหล่านั้นจริงจังลงไปเมื่อคิดว่าจะละมันอะไรอย่างนี้เอ้าเมื่อละกรรมชั่วอย่างว่านี้แล้วเราจะไปทำอะไรทำความดีอะไร ย, ยกตัวอย่างนนเนาะคนพวกนั้นเคยเป็นชาวประมงหาจับปลาขายเลี้ยงชีพม า, างนี่นะ พอมาเห็นโทษแห่งบาปกรรมนั้นแล้วเขาก็มานั่งสงบจิตพิจารณาหาลูหาทางที่จะหาการหางานทำในทางที่ไม่ต้องทำบาปเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นก็พยายามเลยเออพยายามคิดสอดสายไปเมื่อคิดได้ว่าออควรจะไปติดต่อกับ คนนั่นบริษัทนั่นบอกควรจะไปติดต่อกับคนนี้บ่เราจะได้งานทําเราจะมีหลักฐานอะไรต่ออะไรไปหติดต่อหาที่ดงที่ดินอันเป็นที่ทํากินอย่างนี้รัฐบาลเขากําลังจัดสรรที่ดินให้คนไม่มีที่ดินจะทํากินอยู่เอก็ไปร้องทุกขต่อรัฐบาลเข้าไป แล้นี้ถ้าจังหวะามาันอำนวยให้ผู้นั้นก็จะได้รับส่วนแบ่งที่ดินนั้นได้ทาสวนทำไร่ปลูกพืชผลต่างๆขายเลี้ยงชีพไปผู้นั้นก็จะได้พ้นจากบาปกรรมเวรต่างๆไปได้นี่เรื่องปัญญานะบุคคลผู้ ฝึกฝนอารมณ์จนให้เกิดปัญญาแล้วมันจะไม่ยอมจนกรอกนะเนี่ยว่าจะไม่ยอมทําบาปอย่างนั้นตลอดชีวิตเลยคนต้องตะเกียกตะกายหาทางหลีกเลี่ยงจากบาปจากโทษอย่างนั้นะเรื่อยไปแม้เคยทำํำความชั่วบางอย่างในห้าอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึนงน่งมานอกจากปานาติบาติแล้วก็เหมือนกันเ แต่ส่งพี่นายเห็นโทษของมันแล้วพยัญญาหามหาทางหลีกเลี่ยงไม่ไม่ทาชั่วอย่างนั้นต่อไปอีกธรรมดาคนมีปัญญานี่มันหลีกได้ถ้าขาดปัญญาแล้วหลีกไม่ได้แน่นอนทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ปัญญามันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินได้ฟัง ได้ไปฟังคำสอนของบัณฑิตนักปราดทางทางโลกทางธรรมอย่างนี้แหละผู้ผู้มีวิชาความรู้ในทางโลกเขาก็มีเขาจะแนะนำวิชาความรู้ในอาชีพแขนงต่างๆให้ฟังวันนี้ตนถนัดความรู้การทำมาเรื่องชีพประเภทใดก็จำเอาไว้แล้วไปดำเนินตาม แนวทางที่เขาแนะนํานั้นอย่าง เ, าเขามีสมัยวิทยาศาสตร์นี่เช่นอย่างวาปลูกต้นไม้อย่างนี้คปลูกอย่างไรมันถึงมีผลดีออมันจึงงอกงามดีออกดอกออกผลดีอย่างนี้นี่เขามีความรู้วิชาเหล่านี้นะเขาทดลองมาแล้วได้ผลดีมาแล้วจึงได้เอาไปแส ด, แดง แนะนำผู้มาฟังทั้งหลายให้จำเอาไว้แล้วไปลงมือปฏิบัติตามมันก็ได้ผลนะยกตัวอย่างเช่นมะขามอย่างเี้ยส่วนมากก็มีแต่มะขามเปลี้ววันนี้เมื่อวิทยาศาสตร์เจริญแล้วเอาเขาเอากิ่งมะขามหวานมาติดต่อกับต้นมะขามส้มเข้าไป เมื่อมันผลิดอกออกผลมากลายเป็นมะขามหวานไปเลยแบบนี้ขายได้ราคาดีๆแต่เมื่อเป็นมะขามส้มนั่นขายไม่ค่อยออกเลยขายก็ได้ราคาเอาไปทำมะขามเชื่อมอะไรขายไปก็ได้ราคาไม่แพงอันนี้มะขามหวานนี่ราคากิโลละร้อยกว่าบาทอย่างนี้แหละไอ้ผู้ที่ ไม่ต้องการสร้างบาปกรรมให้แกตัวเองอย่างที่ว่ามาเนี่นวิชาอาชีพเหล่านี้นะมันมีอยู่แม้ได้ที่ดินสักไร่องไรนี้ก็ก็พอเลี้ยงตัวไปได้เลยอันนี้เรียกว่าเป็นความรู้ในทางโลกวันนี้ความรู้ในทางธรรมมันก็ควบคู่กันไปนั่นแหละก็ได้แก่ฮิริโอตปาธรรมอะเรามีความละอายแก่ใจ มีความกลัวต่อการกระทำความชั่วเหละนะ่านั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อยู่ในใจเพราะฉะนั้นจึงได้แสวงหาอาชีพที่บริสุทธิ์อถ้าหากว่าไม่มีฮิริโอตปาธรรมอยู่ในใจมันก็ไม่ได้แสวงหาอาชีพในทางบริสุทธิ์ก็จะสร้างแต่บาปแต่กรรมแต่ตัวเองเรื่อยไปอยู่อย่างนั้น น, ะนี่แหละเพราะฉะนั้นนะ คุณธรรมคำสอนของอุทยเจ้าแต่ละข้อแต่ละบทมีความหมายต่อชีวิตของคนเราทั้งนั้นเลยแต่คนถ้าไม่รู้จักเอาไปใช้ไม่ไม่คิดที่จะสร้างคุณธรรมนั้นให้เกิดขึ้นในใจเพียงแต่จำไว้เฉยก็มีบางคนนะจำไดอ้อย่างที่พูดกันปรำปรามานั่นแหละ เขาว่าไอพ่อแม่ดื่มเหล้าแล้วตอนนี้มาไปสั่งสอนลูกนะไอพ่อแม่นนี้มันติดมาแล้วลูกเอ้ยเหล้านี่มันไม่ดีลูกอย่าไปดื่มนะอย่าไปดื่มอย่างพ่อนี่นะออย่างนี้นะแล้วพ่อทําไมยังไม่พยายามออกเหล้ารู้ว่ามันไม่ดีแล้วทําไมยังไม่ทาให้เป็นตัวอย่างให้ลูกได้เห็นอยู่นั้นลูกมันจะทนได้หรืออ พ่อแม่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างนั้นลูกมันก็ทำตามมันไปตามกันนี่โลกอันนี้อย่างนี้แหละทีนี้พ่อแม่นะักอนจะสอนลูกอย่างนั้นตนเองต้องหยุดการดื่มเหล้ามอสูลานันได้ซะก่อนเมื่อตอนหยุดดื่มได้แล้ววันนี้เรียกลูกเรียกหลานมาสอนนั่นเขาก็ยอมเชื่อฟังบอกว่าลูกเอ้ยพ่อนี่ เคยดื่มมาแล้วสุรายาเมาเนี่ยมันไม่มีคุณแม้แต่น้อยเดียวมีแต่โทษอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นชี้แจงให้เขาฟังไอ้ลูกลูกมันได้ฟังบ่อยๆเข้าไปเนี่ยมันก็มันก็รู้ตัวมันก็เลยมงดไม่ดื่มแล้วเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอินอะไรต่อไปลูกก็เลยเป็นคนดีเอได้รับมรดกจากมันดาบิ ด, ดาก็สามารถรักษามรดกอันนั้นไว้ และสามารถบำรุงวระดกนั้นให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนี่มันก็เป็นการปฏิบัติในมัชมีองแปดประการนั่นแหละอย่าอย่าไปเข้าใจว่าเป็นคุณธรรมมันต่ำๆเช็นสัมมาอาชีวโวนี่การแสวงหาเรี่ยงชีพโดยทางสุจริตไม่หลอกลวงช่อกงเขาเลี้ยงชีวิต สัมมากัมมันโตทําการงานชอบหมายความว่าเมื่อเว้นจากฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากดื่มสุราเมลัยเครื่องดองของเมาของเสพติดต่างๆได้แล้วทีนี้ทําอะไรพูดอะไรทําอะไรลงไปทางกายเนี่มันก็ไม่มีโทษเลยมันก็มีแต่ประโยชน์ตนและผู้อื่น ขอจะให้เว้นความชั่วสี่ประการนี้ในทางกายนั่นนะนั่นพระพุทธเจ้ากลั่นกองเอามาหมดแล้วจึงได้จัดเข้าในองค์มรรคในสัมมากรรมโตนั่นเมื่อปฏิบัติตามนั้นได้อย่างนี้ก็เป็นทางค้นทุกข์สายหนึ่งสัมมาวาจาผู้ใดฝึกขัดกล่าววาจาที่ดีงามไม่พูดปดมดเท็จไม่ซอเสียดไม่คำหยาบ ไม่พูดคำหยาบโลนต่อใครเลยการพูดการจา ก, กรู้จักปลอมานไม่พูดเพื่อเจ้อเหลวไหลเรื่องไม่จริงก็หาเอามาพูดเรื่องไม่เป็นประโยชน์ก็เอามาพูดทำทำเพลงไปอยู่ยนั้นอันนั้นท่านเรียกว่าพูดเพื่อเจอ้อไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องเอามาพูดมันเลยนี่ถ้าว่าสำรวมวาจาได้อย่างนี้ บาปอากุศลมันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีแต่กุศลที่คันทเวนจากวาจาอันชั่วร้ายเหล่านั้นแล้วเราพูดแต่คําจริงพูดแต่คําสมานไม่ตรีต่อกันไม่ยุยงให้แตกเล้ากันพูดแต่คําอ่อนหวานอ่อนโยนต่อกันพูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องใดไม่เป็นประโยชน์ไม่เอามาพูดอะไรอย่างนี้นะคําพูดของพวกนั้นมันก็เป็นบุญวันยังค่าเลยแบบนี้นะ เป็นบุญกุศลทั้งนั้นเลย <c oughs> อย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะมันดีอ่ะมันมีประโยชน์จริงๆมันอำนวยความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันนี่แหละไม่ไม่ไม่ต้องไปเพ่งลงว่าจะไปคอยเสวยผลตั้งแต่ชาติหน้าน้า น, อนอย่างเดียวไม่ใช่ เมื่อทำตามที่พระพุทธเจ้าแนะนาสั่งสอนแล้วนี่จะเรินด้วยทั้งทรัพย์ภายนอกทั้งทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกก็อย่างว่าถ้าหาว่าผู้ใดเว้นจากการดื่มสุราเมลัยของเศษฐิต่างๆได้แล้วก็เงินทองหามาได้ก็สามารถเก็บหอมรอมริวไปได้เว้นจากการเล่นการพนันได้แล้วอย่างนี้นะเงินทองได้มาเท่าไรก็สามารถรวบรวมไว้ได้ เว้นจากการเป็นนักเลงเจ้าชู้ได้แล้วอย่างนี้นะก็เก็บเงินเก็บทองไว้ไดู้เนี่แต่เว้นจากไปคบคนชั่วแล้วอย่างนี้เรียกว่าก็เป็นอันว่าเว้นจากความชั่วเหล่านั้นได้หมดเลยผู้นั้นก็ย่อมเจริญด้วยทรัพย์ภายนอกคือเงินทองเข้าของถึงแม้ไม่มากก็เรียกว่าไม่ถึงกับ เที่ยวขอทานเขากินขอเรียงตัวได้มันเป็นอย่างนั้นวันนี้เจริญด้วยทรัพย์ภายในก็เป็นผู้เจริญด้วยบุญด้วยกุศลเป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิใจเบิกบานผ่องใสพร้อมด้วยสติปัญญาความรู้ความฉลาดอะไรก็มีอยู่ในใจนี้ไม่ไม่เสื่อมไม่หาย ต้องการเวลาใดได้เวลานั้นความรู้นี่น่ะนึกถึงเวลาใดได้เลยนี่ผู้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะผู้ที่เว้นจากกรรมอันชั่วแล้วมาทาแต่กรรมอันดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับจนถึงการเจริญสมาธิเจริญปัญญาอย่างที่กล่าวมานั่นแหละอย่านี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญด้วยซับภายใน คือบุญกุศลอันสูงทรงนี่เมื่อเมื่อเมื่อเจริญด้วยทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ได้ปฏิบัติแสวงหาทรัพภายในให้เจริญงอกงามขึ้นได้นี่สำหรับผู้คลองเรือนนะนั่นเลยเมื่อเจริญด้วยเงินทองเข้าของแล้วก็ ได้ทำบุญทุนทานได้เข้าวัดฟังธรรมไม่ห่วงหน้ารวังรวังพระวง์วงวงหลังอะไรเลยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจังว่าทรัพย์ภายในกับทรัพย์ภายนอกนี่นะท้อยที่ท้อยก็อาศัยซึ่งกันและกันเหมือนอย่างนางวิสาขาอนาถวาินดิกมาเศรษฐีเป็นตัวอย่างบุญกุศลหนหลังอำนวยผลให้ท่านเหล่านั้นได้เจริญ ด้วยทรัพย์ภายนอกเงินทองเข้าของมากมายได้เงินได้ทองมาก็ได้มาโดยทางสุจริตนี่ไม่ได้ไปชอ่อไปโกงหลอกลวงใครมาบุญกุศลหนหลังมันหักหนุนทรงทำการค้าการขายไม่สมควรจะได้มันก็ได้มีคนนิยมนับถื อ, อ, อถ้ามีสินค้ามาวางขายหน้าร้านก็มีคนมาซื้อเอาซะใครก็ชอบใจคนมีบุญนี่นะ มันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นเพื่อนถึงได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาเมื่อมาพบพระพุทธศาสตร์เนาเข้าแล้วอย่างนี้ได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าเข้าไปก็รู้จริงเห็นแจ้งขึ้นมาทันทีเลยทรัพย์ภายในอริยทรัพย์เกิดขึ้นเลยศรัทธาปัญญาความเชื่อความรู้ความฉลาดในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรก็เจ็มแจ้งขึ้นในใจ ความรู้ในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โมนีก็แจ่มแจ้งขึ้นว่าพระคุณทั้งสามนี่เป็นที่พึ่งกาจัดทุกข์ภัยได้จริงจรไม่สงสัยเลยไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่ไม่มีพระคุณอันใดที่จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐกาจัดทุกข์ภัยได้เหมือนอย่างคุณแก้วสามประการนี้ไม่มีเลย นี่พระโสดาบันท่านมองเห็นโดยปัญญาชัดเจนเลยแล้วก็มองเห็นอริยสัจโดยเอกเทศอมองเห็นว่าเมื่อบุคคลมีศีลห้าบริสุทธิ์แล้วยอมพ้นจากนรกอบัยภูมิแน่นอนเ <ừ. S 1> มือ่อบุคคลมีความเห็นถูกเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเช่นนี้ผู้นั้นก็จะละความชั่วได้หมดเลย แล้วก็จะตั้งใจทำความดีให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนขวบุญกุศลความดีนั้นมันจะเต็มบริบูรณ์ขึ้นมาในใจของตนนั้นแหละมันถึงจะหยุดสร้างบุญกุศลคุณงามความดีต่อไปเพราะว่าบุญกุศลเมื่อทาขึ้นให้เต็มบริบูรณ์ไปแล้วนี่มันก็กาจัดกิเลสปะปะธรรมหรือ ความทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากดวงจิตนี้เมื่อกําจัดความทุกข์ออกจา ก, กจิตใจนี่หมดสิ้นไปแล้วมันก็ไม่มีงานทําอะไรแบบนี้นะอืมก็ไม่มีงานทําแล้วแบบนี้ไม่ไม่ทราบว่าจะทําไปเพื่อใครแบบนี้จะไปทําไปเพื่ออะไรเพื่อตัวเองอะไม่มีอ่ะเพราะว่าตนเองนั้นไม่มีทุกข์อยู่ในใจแม้แต่น้อยเดียวเลยแบบนี้มันก็มีทําอะไรก็เพื่อผู้อื่นเท่านั้นเองเอ่ะ นี่ละที่สุดของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อได้สะดบับฟังแล้วพึงพากันสร้างคุณธรรมอันดีงามดังแสดงให้ฟังมาเป็นบางข้อบางเรื่องนะให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนก็จะเป็นอุ ป, ปกรณ์ให้เกิดศีลสมาธิปัญญา ขึ้นได้ใจพีโยยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติตรงเพียงเท่านี้